ไปรับอารมณ์นั่นแหละครับคือคือการมีตัวตนมันมันมันเกิดขึ้นทันทีเลยครับเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยมันไม่ต้องรอที่ต้องปรุงแต่งหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันแค่ออกไปออกไปรับอารมณ์ตุ๊บนะครับตัวเนี้ยครับก็คือมันมันเป็นการไปยึดในตัววิญญาณนะครับจากอย่างเช่นไปรับอารมณ์ทางตาก็เป็นการยึดจากผู้วิญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับไปรับอารมณ์ทางหูก็ไปเาเกิดเปรับเสียงก็เกิดเป็นไปยึด อ่อสุตัวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับยกตัวอยา่างนะครับเพราะนั้นพรูท่าท่านก็สอนต่อว่าเออทำอยังไงละ่ะถึงจะทาให้อ่าไม่ละทำให้ทำให้เกิดการละตัวตนตรงนี้ไปได้ละตามทุกทไปได้ท่านก็ท่านก็บอกว่าอ่ครูปมีอยู่นะครับจักรถูก็มีนะครับจกักวิญญาณก็มีจักรถูสัมผัสก็มี เวทนาที่เกิดจากจักรคู่สัมพัน์ก็มีนะครับก็คือต้องก็คือมองเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาเห็นจักรคู่โดยความเป็นอนัตตานะครับรู้เห็นนะครับรู้เห็นรูปเป็นอนัตตารู้เห็นจักรคูเป็นอนัตตารู้เห็นจักรคูวิญญาณเป็นอนัตตารู้เห็นจักรคูสัมผันเป็นอนัตตารู้เห็นเวทนาที่เกิดจากจักรคู่สัมพัน์ เป็นอนัตตาอ่าดังนี้จะทําให้สามารถละอัตตารูปทิฏฐิลงได้นะครับอันนี้คือทั้งอันนี้น่ยกยกยกยกิตานะครับแล้วก็มิแล้ก็ตามด้วยหูจมู ก, ก, กลิ้นกายใจนะครับก็คือทั้งหกหกทวารเนี่ยแะครับคือคือคือม อ, องถึงอารมณ์หรืออาิยธรรมภายในภายนอกเนี่ยแหะครับอ่ารู้เห็นโดยงความเป็นอนัตตานะครับอ่าแล้วก็ ปัญหานะครับโดยความเป็นนามธรรมแล้วก็เวลาที่เกิดจากปาะสาทขณะโความเป็นน า, ามธรก็จะสามารถละนามธรรทุติยนิยมได้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้แหละครับความเป็นตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่จิตส่งออกจากทางนะจิตส่งออกจากจากทางอันนี้ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเรามีสภาวะรู้หรือมีสภาพรู้เกิดขึ้นเนี่ยรู้ที่ที่บอกว่าพอท่านบอกว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะครับ รู้ไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับรู้เฉยๆรู้ซื่อสภาพรู้ตัวนี้แหละมันเป็นสภาพที่จิตมันกลับมาที่ฐานคือจิตที่สองหอครับมันก็จะสามารถรู้แล้วก็พร้อมกับเกิดอาการดับนะครับคือหมายถึงว่ารู้โดยไม่ไม่มีอะไรก็เหลือแต่รู้นะครับแต่ว่ารู้ในความดับรู้ในความไม่เหลือรู้ในความมีโลดนะครับก็คือก็คือมันก็จะรู้อยู่อางเงี้ยครับตัวนี้เองนี่แหละที่ที่จะเป็นต้นทางที่ทําให้เรา เห็นโรคับเห็นจักรุูเห็นจักรคูวิญญาณเห็นจักรคู่สัมผัธเห็นเวทนาที่เกิดจากจักรคูสัมผันเนี่ยโดยความเป็นอัตตาได้เพราะว่าแล้วรวมทั้งทั้งอีกอีกอีกขทวารนะครับเมื่อเมื่อเกิดการรู้อย่างนี้นะครับสันติมันก็จะขาดครับพอสันติสันติมันขาดเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าว่าความเป็นอนตามันได้เกิดขึ้นเราเห็นความดำ ก็จะเห็นว่าความเป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาครับตรงนี้นะครับที่ที่จะเป็นวิธีการละอัตานุทิฏิลงไปได้นะครับนี่คือพระพุทธเจ้าท่านท่านตัไว้อะนีนะครับประมาณนี้ครับก็สาธุนนะในคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คือก็คือนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะแต่ทีนี้ก็สมวพ่าก็จะชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งเนาะว่า สิ่งที่เอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาพูดมาอธิบายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏนะคือมันเป็นความรู้อย่างหนึ่งเนาะความรู้จากการไปอ่านพระสูตรก็มีความรู้พอมีความรู้เสร็จความรู้เนี่ยก็อธิบายได้ก็แปลว่าความรู้นี้ปรากฏขึ้นความรู้เนี้ยมีการเกิดแล้วรู้ที่มีการปรากฏขึ้นรู้ที่มีการเกิดอันเนี้ยมันก็เป็นยังเป็นสังขารปรุงแต่ง แต่ถ้ารู้ด้วยใจไม่มีการเกิดและก็ไม่มีการปรากฏแต่จะทำยังไงให้พ้นจากรู้ที่เกิดรู้ที่ปรากฏก็คือต้องแยกแยะเป็นว่ารู้ที่เกิดรู้ที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันไม่ใช่ใจแต่ใจเนี่ยเป็นความรู้ที่รู้แจ้งเห็นเห็นความรู้ที่เกิดเห็นความรู้ที่ปรากฏดับไปใจจึงเป็นรู้ที่ไม่เกิดและไม่ดับเพราะนั้นให้เห็นในปัจจุบันขณะว่า ในปัจจุบันขณะที่มีผู้รู้เกิดขึ้นก็ให้พบผู้รู้ทำลายผู้รู้เพราะว่าผู้รู้เนี่ยมันเป็นผู้รู้ปลอมเป็นรู้ที่ปรุงแต่งเป็นรู้ที่ไม่จริงต้องทิ้งมันเสียเมื่อ <My goodness. S 1> ทิ้งมันเสียเสร็จมันก็จึงเหลือแต่ใจที่เป็นความเป็นสุญญตาเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งอันนี้หลวงพ่อชี้เพือ่อให้แยกแยะ ใ, ให้ออกว่าอะไรคือรู้ไม่จริงอะไรที่รู้ปรุงแต่งสิ่งที่รู้ไม่จริงรู้ปรุงแต่งมันก็เป็นสังขารเกิดดับอ่า ถ้าแยกเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่หลงในรู้ไม่หลงในรู้คือไม่ติดในรู้ได้ทำลายผู้รู้เรียบร้อยหมดแล้วมันก็ถึงความบริสุทธิ์หมดจดอันนี้เพื่อคุยกันเพื่อแยกแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะรู้อย่างนั้นไม่ได้รู้อย่างนั้นได้สิดีด้วยเพื่อที่จะเอาพระสูตรมาอ่านมาพูดให้คนอื่นฟังแต่ถ้าพูดถึงความหลุดพ้นจะต้องทำลายผู้รู้เสียว่า รู้ที่เอามาพูดเอามาแต่งเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นรู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นรู้ที่เกิดดับแต่รู้ของใจต่างหากที่เป็นรู้ที่บริสุทธิ์ที่เป็นพุทธองค์จริงอเป็นรู้อย่างพุทธรู้อันนั้นแล้วเป็นรู้ที่ไมุ่งแต่งถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะหลุดพ้นได้ในปัจจุบันว่าอ๋อไม่มีเราเป็นผู้รู้ก็ผู้รู้เป็นแค่สิ่งแค่เกิดดับเฉยๆนี่ผมก็ขยายเนาะ ดนะถ้าถ้าเข้าใจเข้าใจก็ผ่านถ้าไม่เข้าใจให้ให้คุยในประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นเป็นความละเอียดซึ่งซึ่งรู้ได้ยากเพราะเหตุใดเพราะว่าคนที่เรียนธรรมะเยอะๆเนี่ยมีความรู้มากมายนะแต่หารู้ไม่ว่าความรู้ที่พูดได้ที่อธิบายได้เนี่ยมันเป็นความรู้ของวิญญาณขันนะแล้วก็เอามาพูดเอามาเล่ามันก็เป็นในขันห้ายังไม่ใช่รู้จริงรู้จริงต้องเป็นรู้ที่พ้นไปจากขันห้าคือรู้ของใจหรือว่าเป็น เป็นพุทธ ะ, ะรู้อย่างพุทธะมันคนละคนละตัวกันเออถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ต่อไปมันก็จะง่ายแล้วว่าอ๋ออะไรก็ตามที่มีการพูดขึ้นมาไม่ว่าจะรู้แบบไหนมารู้แล้วมาพูดได้มาเล่าได้เนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดออยังไม่ใช่รู้แท้ออมันจะแยกเป็นแต่ก็อาศัยคือไอ้รู้ที่มันไม่แท้นี่แหละเนี่ยมาใช้ในโลกเนาะมาคุยเหมือนพูดไปก็คือเนี่ยที่หลวงพ่ออธิบายต่างๆเนี่ย อันนี้ไม่ใช่รู้จริงยังเป็นรู้แบบสังขารยังปรุงแต่งแต่รู้จริงเนี่ยมันนิ่งเป็นใบมันไม่ได้พูดหรอกมันอยู่มันมีอยู่แล้วมันมันเป็นอยู่แล้วก็แต่ว่าที่มาพูดก็คืออะไรก็เอาสังขารเนี่ยมามาพูดเพื่อที่จะให้เข้าใจให้เข้าถึงรู้แท้รู้จริงอแต่ถ้าไม่พูดเลยไอ้รู้แท้รู้จริงเนี่ยมันมันมันรู้ได้ยากก็เลยต้องอาศัยรูปลอมเนี่ยมามาชี้บอกกัน อ่าใทยมีอะไรชวนคุยนะพวกนี้ยคือมันเป็นการคุยในจะเรียกว่าคุยในขั้นลึกก็ได้ขั้นที่แบบรู้ได้ยากอะ่ะต้องต้องมาบอกกันแต่นี้บางคนอาจจะคนใหม่ฟังฟังไม่ออกเลยอย่าฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ฟังไปก่อนเพราะว่าถ้าเข้าใจขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะก็จะเข้าใจตรงกันเลยว่าอ๋อธรรมชาติมันมีสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายปรุงแต่งฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งเอี แต่พูดถึงว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเกิดดับแต่อีกฝ่ายเป็นฝ่ายไม่เกิดและไม่ดับเพราะว่าธรรมชาติมันมีสองฝ่ายแค่นี้แหละฝ่ายเกิดดับกับฝ่ายไม่เกิดไม่ดับฝ่ายเกิดดับก็คือเนี่ยสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วก็เกิดแล้วต้องดับไปแต่สิ่งใดที่ไม่ปรากฏสิ่งนั้นไม่ไม่เกิดเออทีนี้ธรรมชาติสองสิ่งเนี่ยก็มีอยู่จริงเพียงแต่ว่าเ อ, อปัญญาจะเข้าใจธรรมชาติสองสิ่งนี้ไหม ถ้าเข้าใจแล้วก็คือมันก็จะโอเคมันจะไม่หลงจะไม่หลงไปเป็นอะไรหมายความว่าสิ่งเกิดสิ่งดับเกิดขึ้นก็จะไม่หลงไปยึดไปตะครุบเพราะอันนั้นมันก็คือเป็นสังขารเป็นสิ่งเกิดดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอะไรคือรู้เท่าทันรู้แจ้งขึ้นแล้วก็คือไม่หลงไปเนาะแต่สิ่งใดที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็รู้จักแล้วว่าเอ้ามันก็ไม่ปรากฏอะไรเลยเนี่ยเออมันแยกเป็นพอแยกเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่หลงมันจะ การแจ้งสักขึ้นคืออย่างนี้เมื่อกี้กลงพออธิบายนะทํให้ผมนึกอถอึอประโยชน์หนึ่งของพระเจ้านะฮะที่ว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเออทั้งนี้หลวงพ่นึกขึ้นได้เอ้ยเป น, เ ป, นประยชน์ดีหลวงพ่อแต่ผ ม, ผมไม่ามาบจะอธิบายเป็นบานลีนะอธาย้ว่าแต่ว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครับ คือธรรมะเนี่ยมีอยู่อะไรก็เป็นธรรมหมดแต่ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นมีแต่จึงมีแต่ธรรมะธรรมะฝ่ายเกิดก็ไม่มีผู้ยึดมั่นฝ่ายเออธรรมะที่ไม่มีการปรากฏไม่มีการเกิดเลยแต่เรียกว่านิพพานก็ไม่มีผู้ยึดมั่นเห็นไหมมันจึงไม่มีอะไรเลยแต่ทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่พูดตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันก็จะมีตัวเราเราเราเราเราไม่ยึดมั่นอะไรอะไรกับอะไรเราเรา เพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นจากความเป็นเราอ่เพราะว่าจริงๆความเป็นเราก็ไม่มีแต่ว่าถ้าหลงไปเมื่อไหร่นะเราไม่ยึดมั่นอะไรแล้วเราพบนิพานแล้วเราเข้าถึงนิปานแล้วเราไม่ทุกข์แล้วกลาบโดยที่ยังมีเรานั่นแสดงว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเออยังมีตัวเราอยู่นี่ดีแล้วเนี่ยคาพวกนี้ครับครับขอบมาครับหลครับคนที่อยากให้ชวนคุยมากกว่าเพราะว่าพอคุยเนี่ยมันจะ มันจะเห็นบางอย่างในสิ่งที่ที่ที่ยังรู้ไม่ได้แต่พอชี้บอกปั๊บเนี่ยมันก็จะอาจจะลุกโคลงขึ้นมาคือว่าโอ้พิ้งคือมาเก็ขึ้นมาเลยว่าโ อ, าโอ้มันอย่างนี้เองเหรืออะไรประมาณอางนี้ขออนุญาตอ่าปร ะ, ะเด็นในเรื่องของสภาพรู้นะครับสภาพรู้จริงๆแล้วรู้เนี่ยรู้คือบางทีอาจจะแค่ออกมาเป็นาสามสระดับนะ ค, บคือรู้อย่างปังานรู้คือมีวิญญาขันเนี่ยนะเป็น ก็คือตากระทบมีรูปนะครับตากระทบรูปนะครับก็เกิดวิญญาณนะครับก็คือแล้วก็เข้าไปดึงสัญญาว่าไอ้ตาไอ้ตาที่ไปเห็นสิ่งของเนี่ย네ก็จะมีคาเรียกว่าเอออันนี้คืออะไรคืออะไรคืออะไรหรือได้ยินเสียงเป็นเสียงอะไรเสียงความหมายว่าอะไรเขาพูดถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับได้กลิ่นเป็นกลิ่นอะไรอะไรอะไรนะครับก็คือเป็นวัญญาณนะครับรู้อย่างวิญญาณนะครับรู้อย่างที่2คือเป็นรู้อย่างสัญญา รูอย่างสัญญาสัญญาก็คือเป็นความจาที่จามาตั้งแต่อดีตตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เกิดมาแม่บอกแล้วก็โตมาพ่อแม่ก็จะให้เราเรียนแล้วป้ามา้าอะไรเงี้ยนี่ไก่นะมีสุนัขนะนีเป็ดนะอะไรเงี้ยี่ตุกแกนะอะไรอย่างเงี้คนะนะนนะ ย, กกนะรยครับอ่าตรงนี้ที่เป็นสัญญาที่ถสมมาในอดีตแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าอ่าอ่าไอ้นี่คือเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรครับนี่คืออย่างสัญญา มีรู้อย่างปัญญาอย่างสัญญาครับตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวที่มันปลุกแต่ครับมีอีกรู้หนึ่งครับรู้อย่างปัญญาครับตัวนี้ละครับที่ที่กำลังพูดถึงคือรู้อย่างปัญญาก็คือรู้ซื่ๆรูๆ้เฉยๆรู้สักวันรู้อะไรเงี้ยรู้แล้วก็จริงๆแล้วไอ้ไอ้รู้อย่างปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเป็นตัวสติ gy, ครับเป็นสติเจตสิกที่ ity, ประกอบกับสัมปชัญญะนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถก็คือธรรมชาติของมันเวลามันรู้เนี่ย มันจะดับมันจะดับอาการที่ถูกรู้ไปเเาเช่นเราคิดอะไรก็แล้วแต่พอเราทิกเนี่ยเราสรู้ตรงนี้มันเกิดขึ้นความคิดตรงนั้นมันจะดับไปนะครับมันจะดับไปมันก็จะเหลือสภาพของความดับรู้อยู่รู้ในความดับนันอยู่นะครับอย่างคับมันมันก็จะดับซึ่งตัวนี้แหละครับที่ที่ที่ที่ที่ที่เป็นตัวที่ๆๆที่เป็นคีย์หลักที่จะสามารถที่จะทาให้ให้เราให้เราดาเนินไปเรื่อยๆได้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งรู้อย่างวัญญาหรือรูอย่างสัญญาตรงนี้เองเนี่ยก็คือเป็นการปรุงแต่งออกเป็นรู้อย่างภาษาเรืออย่งที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยผมก็ใช้ความปรุงแต่งครับใช้ภาษาใช้สละใช้เปรียญชนะในการสื่อสารเพยเข้าใจเนาะแต่ว่ารู้อย่างปัญญาเนี่ยที่บอกว่ามันมันรู้แล้วมันก็มันก็ดัาไปเลยหาไปเลยแล้มันไม่มีคําพูดเลยนะครับมันไม่มีคําพูดมันมันก็คือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะครับมันไม่มีคําพูดมันไม่มีอะไรอธิบายได้ มันไม่มีสลักพยัญชนะในนั้นมันไม่มีสีไม่มีส oriented, อะไรไปในอะไรอย่างี้ครับมันมันมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอนนี้อันนี้ในในส่วนของการรู้องปัญญาเนี่ยมันก็คือผู้ปฏิบัติก็จะต้องเริ่มต้นจากการเจริญสติอะไรก็แล้วแตู่สึรู้ตัวครับรู้ตัวจทั่งรู้ตัวทพร้อมอะไรขึ้นมาเนะครับมันมันก็สามารถที่จะค่อยคอพัฒนาขึ้นมาได้อนี้ก่อนหน้านั้นทางุณผูมได้ได้คุยเรื่องชานกัมญาณใช่ครับ ฌานขาเนยที่ที่ก็ว ท, ท, ท่านท่านกำลังกลังแสดงธรรมอยู่คือท่านพูดเองแน่ลักขณูปนิชฌานนะครับอกขณปนิชฌานนะครับปกติถ้าเกิดพูดถึงชาเนี่ยมันจะมสิกับอารามนูปนิชฌานนะครับก็คือการเพ่งอรปปารมณ์มันยัเช่นอาจจะเพ่งกสินหรืออาจจะเพ่งลมหายใจอาจจะบริกททรรมดโริกททรรมไมโธนี่ก็เป็นใาอ้อารมณ์ันยั โรรมพทโกรรมสัมมาและตังท้อ ง, องบุบอย่างเงี้ยครับแล้วก็งานเนี่ยขอยกขึ้นจากเป็นชาห่1เชาอนชาเาไปเรื่อยชาทีหนชาที่หนึ่งชาที่2ช า, ท, ช า, ท, ชาที่ส า, าที่สพอชาที่4เนี่ย ม, มันมันมันกัจารึกแต่สภาพรู้นะครับซึ่งสภาพรู้ตรนี้เนี่ยก็คือจะเป็นจะเป็นจะเป็นจะมีอาการจะมีความปั่ไป มันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกับการรู้อย่างรักขันปณิชานนะครับอารามานุปริชานมันจะไม่เหมือนลักขันปริชานเพราะว่าอารมานแม้จะทรู้แต่ว่ามันยังมีตัวผู้ก่อรู้อยู่แต่ลักขันเนี่ยก็คือเป็นการเป็นการเพลงในลักษณะนะครับไม่ได้เป็นลักขันปณิชฌานคือเพลงในลักษณะหรือเพลงเพลงในสภาพธรรมเพลงในสภาวะธรรมนะครับแต่ในอารามานุปณิชานคือเพลงในอารมณ์ั ซึ่งอาการเพ่งในลมมันยันเนี่ยจิต ท, ที่มันไดน้มันจะเป็นสภาพที่รู้แ ช, ช่นิ่ครับรู้แช่นิดอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นหลังคารูปิชานสภาพรู้เนี่ยมันจะเป็นสภาพรู้ที่อ่อนไหวก่ว น, นแก่การงานนะครับโปร่งโล่โลงเบาไลายรู้ในความดับรู้ในความไม่เหลืออะไรครับตรง น, นี้ครับซึ่งในชั้นของการเจริญสติกชั้นของการเรียนรู้สภาวะธรรม มันจะเป็นชั้นของสัมมาสตินะครับชั้นของสัมมาสติครับทระาท่านสอนทำสิ่งตกานะรสิ่งตารที่จะเจริญแล้วให้มากแล้วเพื่อจะไปวิชาได้็นมได้นัก็คือั่มีอคแแล้วก็บวกด้วยสัมมาญาสัมมาิมุตนะครับั่มีองแปนะครับบวกด้วยสัมมาญาณนะครับด้วยสัมมาพิมุตนะครับนั้นสัมมาสติเป็นมากุิเจนะครับสัมมาสติธรรมชาติของมันก็คือ เลไม si bien bien ่รู Entonces, ้ครับน no ี no Orlando, ่ครับที่เราสึกึกกันอยู่ในลาอยู่ในบเมื่อรู้เมื่อมีสภาพรู้ปุอาการี่ถูกก็จะดับไปตัตัดตััครับหลใหม่หลใหม่แล้วก็รู้ใหม่ก็ดับไปนะครับหลงขึ้นใหม่ใม่ก็รู้ใหม่ก็ดับไปทีนะครับมันก็หลงสลับรู้หลงสลับรู้อย่างเงี้ยครับนี่คือการลงสมาสติเมื่อไหร่ก็ตามถ้เกิดมันจบขึ้นเป็นสมาสมาธิได้มันก็จะเหลือแตกสภาพรู้นะครับมันจะเหลือจต่สภาพรู้นะครับ ซึ่งสภาพรู้นั่นก็จะไปเห็นไตรักยุคไหนอีกชั้นหนึ่งครับอีกชั้นหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้แหละที่ที่จะก้าวถึงถึงเป็นสมัยานกรรมสมายานครับถ้าถ้าสภาพมีหลมสลับหู้ลงสลัสบหู้เนี่ยมันจะยังเป็นสภาพที่เขาเรียกว่าเป็นชาตที่เป็นคณิการขิการขิกาสามาธิคือเป็นชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเกิดตั้ต่อเนื่องเป็นสายน้ํานะครับมันจะเริ่มมันจะลึ้นเป็นอัปปนาอัปปนาของรักขันโวขนิชาตินะครับ ซึ่งอณารักนุปริชา น, นี่แหละที่เขาเรียกรวบเป็นสมาสมาธินะครับซึ่งสมาสมาธิตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดสมมารยาครับซึ่งสมาสมาธิเนี่ยมันจะเหลือแต่สภาพรู้แต่ในสภาพควรมีแตล่นนตลักให้เ ห, ห็นนะครับมีแต่ลักให้เห็นมีสุธิตาให้เห็นมีอนิมิตาให้เห็นมีอภรณิตาให้เห็นนะครับก็คือมีความไม่เหลืออะไรให้เห็นมีู่ภายในแฝดมีไซรักเกิดขึ้นมีความยินลนุน มีความเกิดดับอยู่ภายในแต่ความเกิดดับนั้นผลไปจากความปุงแต่งที่มันทําที่มันข้าวนะครับผลจากความปรงแต่งที่มันดําที่มันขาวครับมันเกิดการเกิดดับภายในแต่ว่าผลจากความปุงแต่งผลจากความคิดผลจากความขัดเครื่องผลจากความดีใจเสียใจผลจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ผจากสลับไปชนะนะครับผลจากนี้เป็นไปแล้วนะครับแต่มันเห็นความเกิดกับ อยู่นะครับในความเกิดกับอยู่เนี่ยชั้นตัวนี้นะครับที่เป็นชั้นของสมาสมาที่เราเกิดเป็นสมัยนี้ครับนั่นเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดเราจะเลือนยังมีหลงสลับรู้สลับรู้อยู่นะครับตัวนี้เป็นชั้นของสมาสติครับเป็นการเฉลือสมาสติเมื่อหลงสลับรู้สับรู้ไปเรื่อยเนี่ยความหลงมันจะสั้นลงปเรื่อยครับสันสั้สนมันจะรู้เร็วๆึ้เวขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นในขณะที่รู้นั้นมันก็ดำไปด้วย ขึ้นเรวขึ้นแต่เห็นดำนะเห็นดำในความเป็นความปุงแต่งครับเป็นความุงแต่งที่เป็นดำเป็นขาวนะครับเห็นความที่งแต่ที่เป็นดำขาวต่อเมื่อมันยกขึ้นตั้งมั่นเป็นอัปปนานะครับความุงแต่งที่มันดำมันขาวมันหายไปแล้วนะครับมันจะเหลือความปุงแต่งที่ไม่ดำไม่ขาวแล้วเกิดดำขึ้นในนะครับตัวนี้ครับที่จะยกขึ้นเป็นสมัยานะครับนี่ครับขอญาประมาณครับยม ยัเกิดมีอะไรไหมเห็นเกิดมายอยู่ครับตอนนี้ผมผมฟังจากคุณพลพูดนะครับคล้ายๆ ก, กับคองพ่อคือตอนที่เรามีใจที่มารู้อะฮะรู้ว่าทนะํานีฮะมันรู้ว่ามันมีการเกิดดับเกิดดับมันมักไฟเกิดมันเกิดดับอธิษฐาคล้ายๆกับเมื่อกี้คุณพลพูดเลยนะฮะว่าเราเป็นสมาสัมมาสมาธิแล้วอะฮะเห็นเกิดดับเป็นในปัจจุบันขณะผมว่ามเหมือนกันนะครับแต่วิธีการที่จะเข้าไปเนะี่ย มันมจากบางคนอนาจจะสนาบสนุกันเรื่องเรื่องของปยญาและชาแต่ของเราลุน่ะปัจจุบันเนี่ยเอ่อแล้วแต่วิธีของแต่ละแต่ละแ่ะานนะฮะเ อ, อ่อการจะเข้าเข้าสู่นิพพานเนี่ยมันแตกต่างแต่สุดท้ายตรงที่ผมฟังจากคุณพลที่พูดนะเหมือนกันเลยครับได้ทราบว่าพอออสเกียร์ที่เส้นเดียวกับผมนะครับก็ต้องกลับมาทบทวนแต่จริงอ่ะนะมันก็ถูกแหละ แต่ทีนี้ถ้าเอาแบบแบบรู้สึกตัวแบบรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันที่บอกว่าเข้าถึงแห่งความเป็นพุทธะคือไม่มีคำอธิบายมีแต่รู้เนี่ย okay. ให้ลองเทียบความแตกต่างเนาะว่าการที่เราอธิบายยาวๆเนี่ยซึ่งเป็นความรู้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าด้วยคุณถูกต้องด้วยแต่มันเป็นความรู้ที่ปรุงแต่งซึ่งมันยังอธิบายได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรู้ถ้าเข้าถึงถ้าเราเข้าใจเป็นรู้ที่ไม่มีคําอธิบายเนี่ย มันจะไม่มีคำอธิบายมันมีแต่แต่รู้แต่คำอธิบายมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปเนาะ ม, นมันแยกได้อย่างนี้เออเพราะนั้นระหว่างฟังเนี่ยมันก็จะฟังด้วยเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือว่าอ๋อสิ่งที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นความรู้ที่ปรุงแต่งแล้วก็เป็นความรู้ที่มีในพระสูตรอ่าสมมตินะแต่มันมีอีกรู้หนึ่งซึ่งเป็นรู้ที่ไม่พูดอะไรเลยได้แต่รู้อยู่การที่อยู่กับรู้เนี่ย การที่อยู่กับรู้ที่ไม่พูดอะไรเลยเนี่ย <_ d ata> เขาเรียกว่าอยู่กับความไม่ทุกข์เ <_ d ata> พราะว่าอยู่กับความไม่ปรุงแต่งแต่เห็นความปรุงแต่งอยู่ถูกไหมเออ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเวลาในชีวิตประจําวันก็เหมือนกันเนี่ยใครจะพูดอะไรก็ก็รับรู้ไปเนอะรวมถึงรู้ตัวเองที่เดินยืนนั่งนอนที่เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกแต่ได้แต่รู้อย่าไปขัดข้องอย่าไปขัดขวางอย่าไปคือรู้เฉยๆเนะี่อรู้เสื่อๆนะอันเนี้ยคื อ, ค, อคือทางที่มันมันพ้นทุกข์เออ แต่ถ้าถ้าเราปฏิบัติเราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักไอธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยเราก็จะไปไปยึดความรู้พวกนั้นแต่เราเราไม่เห็นว่าไอความรู้รู้แล้วหลุดพ้นรู้แล้วไม่ทุกข์อ่ะมันอยู่ตรงไหนมันยังไงเออมันก็จะทําให้เหมือนกับว่าเราก็หลงวังวนในใ น, ในคําสอนเนาะเออใช่แต่ว่าถ้าเข้าใจสองสิ่งแล้วเนี่ยว่าอ๋อไอสิ่งปรุงแต่งรู้ที่มันพูดได้เนี่ยรู้ของเราพุทธเจ้าเนี่ยนี่ที่ออกมาเนี่มันปรุงแต่งไปแล้ว แต่รู้ที่ไม่พรุงแต่งที่มันเป็นไอ้บ้บอ่ะนะมันมีอยู่โห้ย oh, ถ้ารู้จักสองสิ่งเนี้โยมมันไม่ต้องทําอะไรแล้ววันๆเนี่ยคือได้แต่รู้แบบเอเอเข้า <c oughs> ใก่อนเก่ากว่าทำไ ม, ไ, ไ, มไม่ชอบมามแล้วเน้นวนเวียแล้วแล้วก็งองอยู่แล้วก็เกิดใหม่มาฟังใหครับมีโอกาสก็มาฟังบ่อยๆนะเพราะว่ามันจะรู้ยิ่งขึ้นไปอีกมันจะยิ่งยิ่งยิ่งเออเพราะว่าบางทีเนี่ยมันยังเหมือนกับว่าบางทีเนาะฟังฟังเข้าใจเนาะแต่พอไป ลอยเดียวต่างคนกลับบ้านเนี่ยบอกทำไม่ถูกเลยปฏิบัติไม่ถูกเลยงงหมดแล้วแบบนี้ก็มีเยอะน ะ, ะโย่จากที่เราพี่ชัยนะคะของพ่อคือไอ้ไอ้รู้ที่ว่าไม่มีตัวเราเนี่ยรู้ว่าไม่มีตัวเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นขนณะขณะขณะเมื่อเรามีความนะลึกรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงสิ่งปรุงปรุงแต่เนี่ยหอตัวที่โย่ก็ใจตรงนี้นี้พอจะได้นะคะหลวงพ่อ เอาเป็นคําพูดบอกที่โยมเข้าใจแบบนี้พอจะได้ไหมคําว่าโยมเนี่ยดูตรงนี้เลยนะคําว่าโยมที่พูดออกไปเนี่ยให้เห็นว่าทั้งหมดนี้คือสังขารปรุงแต่งนะให้เห็นให้เห็นว่าที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งขณะที่รู้ว่าสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะมีรู้อยู่แล้วรู้ที่ไม่พูดแต่มันจะรู้กับสิ่งที่พูดไป แต่จรงิงๆตอนนี้ยสิ่งที่พูดไปเนี่ยจบไปแล้วแหละเห็นไหมดับไปแล้วมันก็รู้ว่าหมดแล้วหยุดพูดแล้วแต่มันอ่ะมันไม่ได้พูดอะไรเลยมันได้ใจรู้พูดใหม่มันก็รู้ใหม่หยุดพูดมันก็รู้เนี่ยก็ประมาณอย่างเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงเนี้เนี่ยค่อยๆสังเกตไปว่าอ๋อทุกครั้งที่ถามเนี่ยมันเอาตัวเราไปถามเอาตัวเราไปถามแต่ขณะ ท, ที่เอาตัวเราไปถามมันก็เห็นว่าตัวเราเป็นสังขารเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วก็จะพ้นทุกข์ในขณะปัจุบันอย่างเนี้ย ทำอะไรนะเลยเปทัวร์ของโยมโยมคิดว่าเราก็จะหลุเข้าไปเป็นเป็นสี่สิบสี้ติไปด้วยเราจะไม่ได้ความรู้สึกตัวที่ว่าปัญหาหาิงของมันปัญหาก็อยู่ตรงที่ไม่รู้ตัวในปัจจุบันนั่นแหละเพราะว่าที่พูดไปบางทีมันไม่รู้คือลืมไปเลยว่าเนี่ยกําลังพูดอยู่เพราะกําลังพูดเนี่ยคือกําลังปรากฏแล้วมันเป็นสังขารเนาะแต่ถ้าไม่เห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไปมันไปที่ปลายมันแล้ว ไปที่ปลายคือรอคําตอบบ้างรอว่าเขาจะตอบอยังไงแต่ไม่เห็นที่ต้นทางต้นทางคือเนี่ยกําลังพูดหรือว่ากําลังคิดในใจยังไม่ถามเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวต้นเป็นตัวที่เกิดตัวที่กําลังปรากฏเป็นจุดกําเนิดที่จะให้เกิดปฏิจจสมุปบาทก็ได้แต่ถ้ารู้ทันไอ้ตัวที่กําลังเกิดกําลังปรากฏตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันเป็นวิชาเนาะมันก็สามารถดับเอาวิชาได้ทําให้ไม่ต้องถามไม่ต้องรู้อะไรอีก เพียงแต่รู้อาวิธาที่กำลังเกิดที่เป็นจุดตั้งต้นเลย mm hmm. เดี๋ยวพูดตรงนี้หลวงยงก็งงอีกเนาะเอาเป็นว่าพอพอสวนั่งอยู่เงียบๆเนาะแล้วพอถามปั๊บเนี่ยให้เห็นตัวเนี้ยไอ้ตัวที่กำลังถามเนี่ยว่ามันเป็นแค่สังขารแล้วก็จะรู้เลยจากรู้จักว่าอ่าสังขารเกิดแล้วแค่เห็นการเกิดตรงเนี้ยก็เรียกว่ารู้ที่ต้นทางของมันรู้ที่จุดเริ่มต้นรู้ที่จุดเริ่มต้น พอรู้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดอันใหม่ขึ้นมาอีกถ้ารู้ทันก็ทันถ้ารู้ไม่ทันก็ผ่านไปแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็คงรู้ทันอีกว่าอ้ามันมีเริ่มต้นเกิดอีกแล้วก็รู้ทันตรงนั้นพอรู้ทันปั๊บมันก็ป่อไปคือมันก็ดับไปตรงนี้สําคัญมากเขาเรียกว่ามีสติรู้เท่าทันไงรู้เท่าทันในปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเราอยู่เรื่อยเนาะเราก็ถามไปเรื่อยแต่เราไม่รู้ว่ามีมีตัวเราเป็นผู้ถามไปละไม่รู้ละ แล้วก็จะเป็นตัวเราอยู่<ม>เรื่อยไปสําคัญมันเป็นละเอียดนะหลวงพ่อที่ตรงนี้นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นจุดที่ต้องต้องรู้จักต้องรู้ให้ทันตรงนี้ถ้าไม่ทันตรงนี้เนี่ยคือมันมันไปที่ปลายหมดเลยไปที่ปลายเอรู้ที่ต้นแหละดีที่สุดและขอบคุณค่ะคือปัจจุบันที่สำคัญที่สุดค่ะแต่อบคุณหลวงพ่อค่ะ